ท่านผู้ฟังที่กรรพรักเวลาที่ท่านรอคอยมาถึงแล้วครับณนะแหล่งนี้ที่พักจิตณนะแหล่งนี้เรามีมิตรที่ยิ่งใหญ่ณนะแหล่งนี้เรามีสุขกว่าที่ใดณนะแหล่งนี้สายทานใจไหลสู่เรานับเวลาต่อจากนี้เป็นต้นไปท่านจะได้พบกับดีเจขวัญใจแฟนเพลงที่ท่านให้การรอคอยฝาสร้างเขาขึ้นมา เพื่อให้เปิดเพลงเพราะๆกล่อมท่านโดยแท้จริงแผนเพลงทั่วฟ้าเมืองไทยต่างต้อนรับให้นั่งอยู่บนบัลลังก์ใจเป็นเวลายาวนานแผนเพลงที่รักและขลบยิ่งทุกท่านครับสี่ห้องหัวใจของท่านยังว่างสำหรับเขาเสมอช่วงเวลาต่อจากนี้เป็นต้นไปขอเชิญท่านพบกับสุดยอดสารสุขภาพสุดยอดเพลงรูกทุ่งไทย และดีเจคู่ขวัญขวัญใจคนเดิมดีเจทิพยเนตรและดีเจวินัยใจซื่อในรายการลูกทุ่งเพชรดีสวัสดีครับครูฟังครับสวัสดีครับมาแล้ว ห, หน้าเวทีกันตอนนี้นะครับลูกทุ่งเพชรดีคลาคล่ำกันไปด้วย คุณผู้ฟังที่มารอเราอยู่เราต้อนรับใช่ไหมครับผมต้อนรับขับไล่ขับสู้สิขับสู้สิใช่ไหมครับรายการลูกทุ่งเพชรดีครับกับเราสองคนผมทิพยเนตรครับครับผมวินัยครับอะเป็นประจําช่วงเวลานี้แหละครับเวลาที่หลายคนเริ่มจะรู้จักกันแล้วแหละคุ้นเคยแล้วมาอีกแล้วสองคนนี้ไอสอตัวนั้นมาแล้วสองคนสิครับสองคนใช่ไหมไม่ใช่ปากัดเออเริ่มนะครับคุณนหูครับ กันและสําหรับสมุนไพรเพชรดีกลับเราสองกับเราสองคนใช่ไหมครับผมได้ยินเสียงวินัยเสียงที่เพเน่ก็ต้องเป็นลูกทุ่งเพชรดีละเดี๋ยวได้ฟังกานเพลงลูกทุ่งนะครับลูกทุ่งเก่าเกาลูกทุ่งกลางเก่ากลางใหม่เพราะเพะอ่าเยอะเลยแล้วมีการเปิดสายสดหน้าใหมน้าใหม่ด้วยนะอสามสายครับนะสามารถขอเพลงได้ช่วงกลางๆก็แล้วกันกลางรายการเนาะให้เราได้ตั้งตัวหน่อยตั้งตัวตั้งรักน้อยครับนะเะครับอยู่ด้วยกันกับ สมุนไพรแคปซูลเพชดีกล่องสีเขียวบอกได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยได้รับการตอบรับอย่างมาแรงล้นหลามแรงแรงแรงนะเบรกนี่ไงทวนฝุ่นตลบใช่ๆเบรกไม่อยู่อ่ะคือคนเป็นเยอะคนเป็นเยอะไอ้พวกปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวข้อเขาข้อเท้าเอ็นยืดเอ็นตึงนี่รับ หมอนรองกระดูกทับเส้นนี่ไม่น้อยเลยนะแล้วก็ข้อข่าออกเสพข้อข่าเสื่อมหลากหลายมากมายจริงๆรินะที่โทรมาถามโทรพูดมาคุยแล้วก็แต่ละคนก็อาการต่างๆกันไปนะแล้วแต่าชกิจวัตรประจําวันทําอะไรมากใช่แล้วทําอะไรน้อยวิถีชีวิตแต่ละคนด้วยแล้วแต่อาชีพออนะครับบางคนก็พ่อค้าแม่ขายขับรถขับปลา ทำไร่ทำนาครับเป็นช่างฮเป็นพนักงานขายตามห้างตามร้านค้าบางคนไม่ทํางานเลยเลยนะก็เป็นเข้าแต่วัดครับผมนั่งฟังพระเทศฟังธรรมคก็เป็นเหมือนกันเออแสดงว่าเป็นได้ทุกคนคือจิตใจนี่ซึ้งในรถพระธรรมอ่าแต่ว่าซึ้งจะลุกไม่ขึ้น่ะลุกไม่ขึ้นหลงคอด้วยหลงคอปวดเข่าแล้วเกินลุกไม่ขึ้นต้องหาคนมา พยุงขึ้น่ะไม่งั้นลุกไม่ไหวครับก็นะครับสมุนไพรเพชดีกล่องสีเขียวนะครับครับผมมาตรฐานการผลิตก็ GMPGMP นี่กว่าจะได้มายากนะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Good Manufacturing Product ต้องมีเภสัชกรแพทย์แผนไทยเป็นคนควบคุมการผลิตทุกรอดเลยครับผมแล้วก็ต้องเป็นเภสัชที่มีใบอนุญาตเลยนะครับแล้วก็น้าสายการผลิตก็เป็นวิธีการผลิตที่ปราศจากเชื้อครับ aseptic เทคนิคนะ การผลิตทุกล็อตทุกแคปซูลไปตรวจหาสารปนเปื้อนไม่มีแน่นอนสารปลอดสารตะกั่วอะไรพวกนี้นะเราไปถึงพวกเชื้อจุลินทรีย์ครับเชื้อราไวรัสไม่มีนะครับแล้วก็ไม่มีสเตียรอยด้วยมั่นใจได้มั่นใจคัดแต่สมุนไพรที่แบบว่าสะอาดปลอดภัยปลอดภัยนะครับกรรมวิธีก็เทคโนโลยีทันสมัยมากมากนะครับมั่นใจกับการขึ้นทะเบียนยาเยนะเป็นยาสามัญประจาบ้านค2ับ ทับห้นะครับแล้วก็ได้รับการควบคุมการผลิตครับโดยเภสัชกรแพทย์แผนไทยด้วยครับผมนะในส่วนของสมุนไพรแคปซูลเพชรดีกล่องสีเขียวครับครับผมรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวได้ฟังกันแน่ๆครับผมตลอดหนึ่งชั่วโมงนี้รวมไปถึงมีงานเพลงที่กูบูฟังเนี่ยฝากกันไว้ทางที่ขอเซ็นเตอร์ใช่ไหมครับผมคือเวลาโทรเข้ามาถามรายละเอียดแล้วก็ขอเพลงทิ้งไว้ด้วยครับผมนะครับไหนไหนก็ ลงทุนโทรมาแล้วเยอะเลยนะเอาเต็มที่เพางั้นทยอยเปิดให้เลยครับผมมีอยู่เพลงนึงครับแนะนำไว้สุนารีราชสรีมาครับผมเพลงแม่ค้าส้มตำชื่อต้อยครับผมนะครับเดี๋ยวฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บหนึ่งครับผมแล้วไปฟังงานเพลงนี้กันครับผมครับมื่มือ่ปวดมหม่ปวดชา ทำยังไงไม่เมื่อยไม่ปวดไม่ชาทุนปลายแผดดีกองสีเขียวใช้อะไรนะทุนปลายแผดดีกองสีเขียว สมุนไพรแคปซูลเพชดีกล่องสีเขียวผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการควบคุมการผลิตโดยเภสัชกรแพทย์แผนไทย1กล่องบรรจุ100แคปซูลรับประทานครั้งละ2องแคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นโปรดอ่านฉลากก่อนใช้ยาทุกครั้งคำเตือนเพื่อความมั่นใจว่าท่านจะได้สินค้าที่มีคุณภาพโปรดสังเกตสติ๊กเกอร์3ามมิติพิมพ์คำว่ากล้วยกล้วยมีรูปกล้วยติดที่กล่องและฝากระปุกสอบถามเพิ่มเติม 085-188-3032 และ 084-643-2322 เมื่อยไห ม, ไ ม, มปวดไหมไม่ปวดชาไม่ไม่ชาทําทยังไงไม่เมือ่อยไม่ปวดไม่ชาฝุนไฟยเพชติกล้องสีเขียงใช้อะไรนะฝุนไฟยเพชติกล้องสีเขียง จะไม่กลับมารับเซ้า ไปครับผมแม่ค้าส้มตําชื่อต้อยโอ้ต้องชื่อต้อยด้วยนะต้องชื่อต้อยใช่ไหมครับถ้าเป็นชื่อกุ๊กกิ๊กตุ๊กติ๊กอะไรจะซื้อไหมกินเหมือนกันเออแต่ผมว่าถ้าเป็นกิวถ้าเป็นสวยๆอย่างสุนารีลาสีมาตาส้มตําขายนี่ผมว่าลูกค้าตึมเลยนะอ่าไม่ว่าจะสั่งตำอะไรดีเหมือนกันนะครับผมบ้านเราเนี่ยเอพูดถึงส้มตําเนี่ยเยอะเยอะมากหลายนะครับหลายอย่างคือฮคือถ้าถ้าไปแล้วเนี่ยครับ คนคนสั่งก็จะต้องมีในใจไว้แล้วล่ะใช่ว่าจะกินอะไรไงครับผมเฉพาะไอ้ตามะละกอนี่นะก็จะเป็นตําอะไรตําไทยใช่ไหมตำไทยอ่าตาลาวตําลาวนี่ใส่แต่ปลาใช่ไหมครับผมตําปูปลาอ่าําปูปลานี่ก็ใส่ทั้งปูทั้งปลาาครับแล้วถ้าเป็นอย่างอื่นก็มีนะตํามากมายเลยนะตํามั่วตําซัวตําปลาตําดงตําเขาโอ้โหตำตำแหลกตําแหลกลาน ครับผมไปไปทางเหนือนะไม่ใช่มีแค่นี้นะครับผมทางเหนือเนี่ยจะเอาส้มโอมาตำด้วยเอาส้มโอด้วยเขาเรียกว่าโซมาโอโซอ่าบางที่เขาจะมีกระท้อนตำอีกตำมาต้องนะทางอีสานก็มีเนี่ตตาตำกระท้อน่ใช่ไหมตำมะต้องอะคแล้วก็ยังมีอะไรล่ะแปลกกว่านั้นก็มีอ่าตำมะม่วงก็มีะข้าวโพดก็มีข้าวโพดเอามาตําเหรอครับผมโอ๊ยมันจะเป็นรสชาติแบบไหนล่ะก็เป็น แล้วพระเจ้าตำกระโพดเนี่ยแล้วไม่เคยกินสักทีแล้วมะเฟืองนะทางนือจะมีมะเฟืองเปรี้ยวเอามาตําครับผมตําใส่ปลาล่เลยแหละนะเอากระเทียมใส่ครกน ะ, ะเอาพริกขี้หนูสักแล้วแต่เราชอบนะอย่างผมก็ ส, สักสาสิบเม็ดอ่ะใส่ตําตำตําตําตําลงไปนะครับแล้วก็เอาไอ้มะเฟืองมะเฟืองปาดเป็นแว่นเป็นแว่นแล้วใส่ลงไปตําตำตาตําใส่น้ําปลานิดใส่น้นําปลาล่หน่อยขาดไม่ได้คือ ถ้วยแดงใส่เข้าไปถ้วยถ้วยแดงผงชูรสตำตำตตำซดน้ำอุ้ยสุดยอดเลยนะครับผมท่านผู้นำน้ำลายซอเลยเนี่ยแซบบอแซบอยู่ตรงนี้แหละโอ้ท่านผู้ฟังน้ําลายสอเลยครับผมโอ้แต่บางเจ้าขายดีนะบางเจ้าเนี่ยโอ้เขาจะบอกเลยนะว่าอนามัยมาก นะครับถ้าไปซื้อร้านชั้นเนี่ยไม่ใส่ผงชูรสนะครับผมแต่ว่าดีต่อสุขภาพผงชูรสเอาใส่ปลาใช่ไหมเอาต้มใส่ต้มใส่ปลาคั่งบ้านนั่นแหละครับบางเจ้านะจะบอกให้นี่สามครกสี่ครกอ่ะยืนตําทั้งวันเลยอยืนตําตั้งแต่เปิดอ่ะมีจริงๆนะขายดีมากขายดีก็คือยืนนะมือมือนี่ถือสักกระเบือใช่ไหมต้องเรียกว่าสักกระเบือนะตั้มตั้ตั้ยืนอ่ะ ัดหลังโคกหลังแข็งนี้มาโคกที่สองใช่ใช่ใช่โคกที่สองเขามาโคกที่สามเขาจะมีเขาจะมีคนเตรียมนีถ้าเป็นภาษาอังกฤษเรียกพวกนี้เรียกว่าบุชเชอร์เตรียมไว้เลยว่าว่าต่อไปเนี่ยสมมุติตําแตงใช่ไหมบุชเชอร์พระพยาอ่ามันก็จะเตรียมเขาก็จะเตรียมพวกแตงกวามะเขือเทศอะไรไว้เลยแล้วก็ย้ายไปโคกนึงนะแล้วพนักงานอีกคนนึงก็จะมาดูแลโครกที่เรียบร้อยตักใส่ถ้วยหรือว่าตักใส่ถุงครับทั้งวันอ่ะเขาบอกว่านี่แหละ ยืนต่าส้มต่าจนหลังขดหลังแข็งหลังคดหลังแข็งมันเป็นอย่างนี้นี่เองขายดีมากเออนะครับขายดีแต่ว่าสุขภาพนี่สิครับผมนะหลังขดหลังแข็งไม่พอนะสังเกตหัวแม่ค้าส้มตําเนี่ยมือข้างที่จะถนัดนะแขนข้างนั้นน่จะใหญ่กวัยข้างนึง เหมือนกับคนขาข้าวตี๋ผัดไทยแขนสองข้างไม่เท่ากันใหญ่ไม่เท่ากันคนที่เป็นนักเทนนิสครับผมแขนข้างที่ถนัดเนี่ยจะใหญ่กว่าอ่าครับผมแต่ว่านึกถึงคําว่าเฉพาะคนหญิงหรือเปล่าส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงครับไหมคะทุ่มตำถ้าผู้ชายเห็นแขนข้างนึงใหญ่กว่าล่ะโอ้มันก็แปลกลิ้มกันนะผมเพราอาจจะสันนิษฐานว่าเป็นนักเทนนิสก็ได้นะเออครับ ล้างขวดล้างแข็งบนกันสุดท้ายมาบางคนไม่อยู่วันหยุดไงหยุดแต่หยุดแต่สงกรานเทศกาลอะไรเงี้ยไปนวดนี่ก็มันก็มันไม่มีเวลามีเวลามันนะครับผมไปหาหมอทีก็ขาดรายได้คือจริงแล้วเนี่ยนวดเนี่ยมันมันได้นะแต่ว่ามันจะอยู่ได้แค่สักวันสองวันมันก็เป็นใช่ไหมล่ะเพราะคนเรายืนทุกวันเนี่ยอืไม่ใช่มีแต่แม่ค้าส้มตํานะที่ต้องยืนตลอดอครับคนที่เป็นพนักงานห้างสรับสินค้านะคนที่เป็นรปภ คนที่เป็นช่างตัดผมคนที่เป็นช่างเสริมสวยเนี่ยกลุ่มนี้ยืนนะแล้วก็คนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายที่ต้องใช้การยืนในเรื่องของการทาการปรุงเนี่ยนับปัญหาเรื่องปวดหลังปวดเอวนี่มีเยอะแล้วมันจะถ่ายทอดลงไปจนถึงหัวเข่าลงไปถึงเท้าเลยนะปัญหาแบบนี้นะเออหลายคนเป็นนะใครเป็นยกมือขึ้นเลยโอ้โหครับ เห็นไหมครับแล้วตอนนี้เนี่ยมีคนโทรมาสอบถามเรื่องของเพชรดีก็ปัญหาแบบนี้แหละส่วนใหญ่โทรมาก็เป็นคนที่ยืนยืนยืนยืนยืนอย่างเดียวอะยืนจนหลังขดหลังแข็งอย่างที่โบราณเขาว่าอย่างเงี้ยครับผมก็ถือว่าวันนี้เพชรดีเนี่ยตอบโจทย์ให้ได้เลยนะปัญหาแบบนี้นะบำบัดบรรเทาอะคผมปัญหาเรื่องปวดแข้งปวดขาโดยเฉพาะปวดหลังปวดเอวเลยแหละบำบัดบรรเทาจริงๆนะใช่เพราะว่าเป็นยา เป็นยาเป็นสมุนไพรเป็นสมุนไพรมีเลขทะเบียนยานะครับกำกับชัดเจน G217 งนทับห้าเจก็ขึ้นทะเบียนแล้วก็กลับมาวิธีการผลิตเนี่ยคือความโดดเด่นของเพชรดีเนี่ยก็คือว่าเราใช้เทคโนโลยีชั้นสูงชั้นสูงใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยและมาตรฐานเนี่ยมีมาตรฐานไม่ใช่ว่า ตามกันอยู่หลังบ้านผมไม่ใช่แล้วก็เอาช้อนกรอกกรอกไม่ใช่นะแล้วของเราเป็นแคปซูลนะตื่นเช้าขึ้นมาก็ไม่ปิดฝาไว้อะไรแบบนี้แคปซูลเนี่ยมันทํายากกว่าอัดเม็ดนะมันต้องใช็คเครื่องนะต้องพิจิตรพิทันแหละนะแล้วก็มีเภสัชกรแพทย์แผนไทยครับือหลายคนรู้ว่าเราของเราเนี่ยแพชยดีมีเถาวันเปรียงเถาวนอ่อนเถาโคคลานแท้มาทลายอะไรพวกเนี้ยแต่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ต้องมีสูตรนะเถาวันเปรียงเท่านั้นกรัม เอาเอนออนเท่านั้นกรัมรหรือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์นี่แหละอะไรมากอะไรน้อยสัด ส, ส่วนอยู่ที่เภ ส, สัตชกร ค, น, คนปรุงยาเขาเป็นคนกําหนดครับวันนี้มั่นใจได้ครับนะทุกรสเนี่ยไปตรวจหาสารปนเปื้อนไม่มีแน่นอนครับไปตรวจหาเชื้อโรคไม่มีปนเปื้อนแน่นอนครับผมสคัญอีกอย่างของเราไม่มีสเตยีเเตรยรอยสเตยียรอยนี่กินปุ๊บหายปั๊บนะนะระยะไม่ยาวหรอกนะมันกดภูมิอ่ะเดี๋ยวก็เป็นโรคนู้นเป็นโรคนี้ได้ง่ายๆไงผลข้างเคียงมากเยอะสำหรับสเตียรอยเยอะมากเลยนะครับ ดันั้นก็แนะนำเป็นสมุนไพรเพชรดีกล่องสีเขียวนะครับตอนนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีมากเลยใช่นะครับท่านใดที่ยังไม่ได้ลองทานนะครับแนะนำเลยนะครับเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเบอร์คอร์เซ็นเตอร์เบอร์ดีครับ0846432322และ0851883032ครับ ปวดเมื่อยปวดกล้ามเนือ้อปวดข้อปวดกระดูก ปวดแขนปวดขาเน็บชาไม่ต้องถูไม่ต้องทาเลือกสมุนไพรขับสูนแพทยดีกล่องสีเขียวสมุนไพรขับสูนแพชยดีกล่องสีเขียวส่วนผสมจากสมุนไพรที่ได้คัดสรรแล้วอาทิเช่นเถาวันเปลี่ยงถเถาเวันอ่อนเถาโคคลานแส่หมาทะลายกำลังพญาเสือโครงการพลูดอกจันทร์พลิกไทล่อนและสมุนไพรอื่นๆด้วยการผลิตที่ทันสมัยได้รับการควบคุมการผลิตโดยเภสัชกรแพทย์แผนไทยไม่มีสารสเตรอยด์สารโลหะหนัก สารหนูปวดเมื่อยปวดกล้ามเนือ้อปวดเขา่าปวดแขนปวดขาปวดตามข้อไขข้ออักเสบกระดูกเสื่อมกระดูกทับเส้นเน็บชามือชาเท้าชาและอาการเน็บชาตามร่างกายเลือกสมุนไพรแคปซูลแพดดีกล่องสีเขียวสมุนไพรแคปซูลแพดดีกล่องสีเขียวยาสามัญประจาําบ้านทะเบียนยาเลขที่ g ีสองหนทับ 57, หนึ่งกล่องบรรจุ100แคปซูลโปรดอ่านฉลากก่อนใช้ยาทุกครั้งเพื่อความมั่นใจว่าท่านจะได้ สินค้าที่มีคุณภาพโปรดสังเกตสติกเกอร์3มิติพิมพ์คำว่ากล้วยกล้วยและมีรูปกล้วยติดที่กล่องและฝากระปุกสอบถามเพิ่มเติม085 188 3032และ084 643 23 22 ไกัล่ะนอ ใจกันละวะ ว่า ป, ปวดตรงหลังอ้าวมันปวดยังไงภาวะ า, าวังปวดหลังและชามือแล้วไงต่ออ่ะจะหยิบจะจับไม่มีแรงปวดขาปวดแขนโอยทุกทีเป็นนานหลายปี ท่าที่ไม่ไหวปวดแบบนี้ต้องยาสมุนไพรแคปซูลเพชรดีกล่องสีเขียวสมุนไพรแคปซูลเพชรดีกล่องสีเขียวประกอบด้วยเผาวันเปรียงเผาเอ็นอ่อนเผาโคคลานแซมมาทลาย กำลังพยาเสือโครงการปลูกดอกจันทร์พริกไทยลอนและสมุนไพรอื่นๆสมุนไพรแคปซูลเพชร ด, ดีกล่องสีเขียวปลอดภัยช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยปวดกล้ามเนื้อปวดเขา่าปวดแขนปวดขาปวดตามข้อไขข้ออักเสบกระดูกเสื่อมกระดูกทับเส้นเน็บชามือชาเท้าชาและอาการเน็บชาตามร่างกายสมุนไพรแคปซูลเพชร ด, ดีกล่องสีเขียวยาสามัญประจำบา้านทะเบียนยาเลขที่ G ีส 7ทับ57ิผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการควบคุมการผลิตโดยเภสัชกรแพทย์แผนไทยโปรดอ่านฉลากก่อนใช้ยาทุกครั้งเพื่อความมั่นใจโปรดสังเกตสติกเกอร์สามิติสะท้อนแสงพิมพ์คำว่ากล้วยกล้วยและมีรูปกล้วยติดอยู่ติดต่อคอลเซเตอร์โทร084 643 2322และ085 18830-32 ครับมาถึงช่วงที่หลายท่านรอคอยน้องคุณวินัยครับผมนะเป็นช่วงที่รู้สึกว่าใจจดใจจ่อพลิกเละเกินพลิกอ่าก็คือแบบพมาแรงพลิกไทยดําพลิกไทยดําพลิกไทลอนช่วงนี้เป็นช่วงที่เปิดสายสดสดหน้าใหม่ครับผมท่านที่ชื่นชอบศิลปินท่านไหนนะศิลปินเอาเป็นลูกทุ่งกลางเก่ากลางใหม่นั้นลูกทุ่งแท้ๆแล้วก็โทรเข้ามาขอเพลงได้นะด่วนหน้าใหม่เลยแล้วก็ลงไปถึงการอ่าจะพูดคุยพูดเล่นพูดหัวมีเรื่องจะเล่าอะไรก็ โทรกันเข้ามาได้ได้ครับซึ่งของเรานี่ออกอาการหลายประเทศเลยครับหลายจังหวัดพูดผิดหลายประเทศก็ใช่หลายประเทศใช่ไหมเพรว่าออนไลน์ออนไลน์ได้นะครับออนไลน์ก็ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้รายการโอ้โหโทรมาจากเบอร์โทริโก้กันนั้นนะครับคุยกับ call center กับปล้อเลยนะครับไปยังใดมายังใดบ้านเดียวกันเอาถึงเวลาที่ท่านรอคอยแล้วครับให้โทรมาที่เบอร์อะไรคุณพี่ไห เบอร์นี้เลยนะครับหน้าไมค์ c เ l l center ของเรา0846432322และ0851883032ครับครับก็ขอให้เป็นลูกทุ่งกลางเกาง่ากลางใหม่นะครับผมเอาเป็นไทยแท้ๆเลยครับผมนะประมาณสักอย่าให้เก่าเกินไปนักผมเกิดไม่ทันผมด้วย <laughs> นะครับครับผม มาแล้วครับสายนี้อรับดูซิว่าวันนี้จะมาจากที่ไหนจังหวัดอะไรครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับตาสวัสดีค่ะครับผมโทรจากจังหวัดไเนี้ยแม่แม่สร้างหยาดตดโดนแล้วก็เห็นมาทรงเลยรองวันนั้นเนี่ยโออโหต้องขออภัยด้วยเนี่ยโทรจากโทรจากจังหวัดไหนครับที่ไหนครับน้องคายค่ะน้องคายสั่งแต่โดนโดนปัญหาแล้วอเอ้ยว่ามันเป็นเดียนุ ตีแม่้างกับจ้างบริกิตร์เนี่ปวดขาชื่อเดนเนี่ยโอจริงแล้วไม่ถึงนะผมว่าน่าอย่างนี้อาจจะเป็นเรื่องของความผิดพลาดในเรื่องชื่อที่อยู่อะไรก็สักอย่างหนึ่งก็ได้เอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมตรวจสอบให้แล้วกันได้เดี๋ยวจะโอนสายให้ตรวจสอบให้เนาะใช่อันนี้โทรจากที่ไหนเนี่ยวันนี้เนี่ยน้องคายค่ะน้องคายเนาะครับผมแล้วชื่ออะไรครับชื่ออะไรแม่หนูค่ะแม่หนูจังหวัดน้องคายใช่ไหม สั่งเพชรดีมาแล้วยังไม่ได้ัครบวันนี้เลยได้โทรมาหน้าใหม่เลยเนาะแต่ได้โทรตามอได้ครับแม่หนูอายุเท่าไหร่นต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวจะลองมาสายแม่หนูอายุไเท่าไหร่ละห้าสิบแปดนะห้าสิบแปดใชมครับผมโทรมาทวงเพชรดีอย่างเดียวใช่ไหมเพลงฟังไว้วันนี้ฟังเพลงไหมเพราเคะฟําเพลงด้วยค่ะในไหก็มาแล้วไงเพลงอะไรครับครับผม ลอยแผลเป็นคัทชลยามารสีค่าคับชลยาอย่างนี้นะแม่หนูเรื่องที่ว่าสั่งเพชรดีแล้วยังไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวไปสอบถามคอเซนเตอร์นะเช็คนิดนึงอาจจะมีความผิดพลาดเรื่องที่อยู่ปกติแล้วไม่เกิน3มวันได้รับไม่เกิน3วันได้รับนะถ้าอยู่ในบริเวณที่เราส่งได้เราไปส่งถึงบ้านเลยนะครับอาจจะเป็นเรื่องของที่อยู่อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็คนก็สั่งมาเยอะเลตอนนี้นะ โอเคเนาะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะรอยแผลเป็นสวัสดีครับครับครับก็คืออย่างงี้ไงคุณพี่นายวันหนึ่งออเดอร์ของเรามันเยอะมากอ่เยอะจริงๆนะเห็น messenger ไหมวันนึงส่งไปทีไม่รู้กี่ร้อยมีด้วยแบบบางางพื้นที่เนี้ยส่งทางไปเสนีส่งไปเสนีอ่าแล้วก็อาจจะมีพลาดเคลื่อนที่อยู่อะไรผิดพลาดเรื่องที่อยู่ปกติแล้วไม่เกิน3วันสวันก็ต้องมีการแจ้ง รายละเอียดให้ชัดเจนคือติดต่อกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งที่เบอร์คอร์เซ็นเตอร์ของเรานี่แหละใช่ใช่เดี๋ยวก็เดี๋ยวจัดการก็สามารถที่จะบันทึกไว้ก็ได้เบอร์คอร์เซ็นเตอร์เนาะครับผมครับมาแล้วครับครับผมจังหวัดไหนเนอะครับสวัสดีครับสวัสดีครับดังจวดเลยสวัสดีค่ะอ๋อครับมาครับครับขอเพลงไหนค่ะเพลงอะไรอยากฟังเพลงลูกสาวผู้การค่ะลูกสาวผู้การเอาของใครร้องอ่ะมีหลายคนเยอะเลย ดำรงวงทองค่ะดำรงวงทองเพราะนะทองมากอมลองใหม่อืมครับผมอันนี้โทรจากจังหวัดไหนครับเนี่ยสมุทรปราการค่ะสมุทรปราการค่ะพอดีว่าจะสั่งสั่งซื้อสมุนไพรเพชรดีด้วยอะค่ะอ๋อครับได้เลยได้เลยเคยกินมาก่อนหรือเปล่าครับ ค่ะเคยกินค่ะเคยทานมาแล้วกล่องหนึ่งค่ะรู้สึกว่าหายปวดหลังค่ะรู้สึกดีขึ้นค่ะดีเลยดีเลยครับอันนี้ก็ไม่ต้องบอกรายละเอียดเยอะมากอันนี้ชื่ออะไรเนี่ยพอถามชื่อนิดนึงเคยสั่งซื้อแล้วชื่อกุ้งค่ะชื่อกุ้งใช่ไหมครับเอางี้นะเอางี้คุณกุ้งเดี๋ยวผมจะโอนสายให้คุยคอนเซนเตอร์เคยซื้อแล้วก็คงไม่ยากเนาะส่วนเพลงที่ขอมาเดี๋ยวผมเปิดให้ฟัง ค่ะขอคะโอเคเนาะครับครับบ๊ายบาครับครับบ๊ายบาครับครับมาแล้วครับครับผมครับผมทักทายเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับจากจังหวัดไหนเนี่ยค่ะครับโทรจากไหนเอ่ยค่ะขอสั่งยาเพิ่มค่ะสั่งยาเพิ่มเจ้าผมสั่งสมุนไพรเพชดีเหรอใช่ไหมน่ะสมุนไพรเพชดีเนาะ ฮัลโหลฮัลโหลจ้าปวดแขนปวดขาจ้าครับอ๋อปวดแขนยค่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอย่างนี้นะโทรจากจังหวัดไหนอ๋อชุมพรค่ะชุมพรขอนแก่นจังหวัดใช่ไหมอ๋อเออเอาขอถามชื่อหน่อยชื่ออะไรฮะออนอุมาค่ะคุณออนอุมาชื่อพ่อเนาะคุณออนอุมานี่บอกว่าสั่งสมุนไพรเพชรดีเพิ่มแสดงว่าเคยกินแล้วใช่ไหม ออให้แฟนแฟนเป็นอะไรล่ะถึงไม่กินแฟนเป็นอะไรครับปวดปวดแขนค่ะปวดแขนปวดหลังค่ะอ๋อปดแขนก็ปวดหลังก็ปวดอืมครับผมกินไปกี่กระปุกแล้วล่ะครับสองสามกระปุกนี่แหละจ้ะแล้วก็จะหายดีอยู่แล้วอ๋อโอเคโอเคขอแสดงความยินดีด้วยกินซ้ำครับผมอ่าฮนะครับฮาแล้ววันนี้โทรมาฟังเพลงอะไรหรือเปล่าหรือจะสั่งยาอย่างเดียว เพาะเพลงน่อยเพลงอะไรฮะนักครชายสีจ้าของแมงปอสาวนครชายสีครับของแมงปอชนที่ชายใช่ไหมอือจ้าเอาเอาคุณอลุมาครับผมนะเดี๋ยวจะโอนสายให้คุยคอเซนเตอร์นะครับนะเดี๋ยวเพลงเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับครับออได้คุยแล้วสันด้วยป่าตื่นเต้นนะเออได้คุยละ ดีเจชื่อดังหน้าตาหล่อๆเอาการเอาการชันบุรีเอาการชันบุรีการน้าจ้าบุรีอผ่านไปแล้วสามสายสามสายนะครับขออภัยด้วยสําหรับสายนี้สายนี้ก็สายที่สีหรือว่าจะมีสายที่ห้าสายที่หกครับผมอย่างนี้เอฝากไว้ที่คอเซ็นเตอร์ก็ได้เนาะครับผมสําหรับสมุนไพรเพชรดีกล่องสีเขียวครับ นะท่านสามารถที่จะสอบถามได้ที่คอร์ทเซนเตอร์นะปัญหาเรื่องปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวข้อเข่าข้อเท้าพวกเนี้ยนะครับถามได้ตลอด24ชั่วโมงเลยยังมีอีกหลายทางเลือกชที่เรานั้นสามารถบรรเทาอาการปวดได้นะครับสมุนไพรก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ถือว่าไม่มีผลข้างเคียงมันมีการสะสมในเวทีอื่นเยอะด้วยนะไม่มี side effect ใดทั้งสิ้นครับผมท่านใดที่สนใจนะครับจะสอบถามข้อมูล เรื่องต่างๆเกี่ยวกับสมุนไพรเพชรดีเนี่ยถามได้ทุกเรื่องเลยนะครับเบอร์คอร์เซ็นเตอร์ของเรา0846432322และ0851883032ครับครับผมครับเป็นยังไงบ้างวันนี้เมื่อกี้ที่ขอมา3งานเพลง3เพลงเดี๋ยวฟังกันเลยอะไรบ้างนะครับ แม่หนูครับจากทางน้องคายจังหวัดน้องคายครับรอยแผลเป็นรอยแผลเป็นคจารยา马拉สีครับคุณกุ้งจากสมุทรปราการนะครับสมุทรปราการแถวปากน้ำครับลูกสาวผู้การของไขวันนี้ดำรงวงทองออมมากี้เขาขอของดำรงใช่ไหมครับผมได้ไแล้วก็คนคุณออนอุมาจากชุมแพรชุมแพรขอนแก่นครับเพลงอะไรขอสาวนครชัยศรีครับเสียงร้องของ แม่งปอชนที่ฉาครับเอาเมอกี้พยายามฟังอยู่น ะ, ะสาวนครเชษีแม่งปอใช่ไหมครับผมครับครับผมจะรับฟังครับ ฝันถึงจนงมงายแปลจริงเออผมรักเธอแล้วไม่กล้าบอกขอเธอรู้กลัวโดนไล่ออกกลัวโดนออกเอาสีไงไงได้แต่เพราะาเรามีค่าแค่เพียงเม็ดซายบังอาจรักลูกสาวเจ้านาย โชคจะร้ายแล้วสินอเราอยู่ป้อมยามได้แต่มองจ้องเธอทุกคราเมื่ อ, อไรน้องเธอจะผ่านมาได้เห็นหน้าพอให้คลายเงานั่งฝันจนเธอท้อนีเธอจะรู้ ตำรวจผู้นอนอย่างเราลงรักเจ้าลูกสาวผู้การโปรดเมตตาผมเถิดนาท่านผู้กำกับเฝ้าคุนคิดจนนอนไม่หลับนอนไม่หลับเพราะความฟุ้งซ่านไม่กล้า ขอเป็นเคยของท่านผู้การเงินเดือนน้อยดอยทำการงานไม่อาทหาไปปองดอกฟ้า เถิดน้าท่านผู้กำกับเฝ้าคุณคิดจนนอนไม่หลับนอนไม่หลับเพราะความฟุงนสานไม่กล้าเผยขอเป็นเคยของท่านผู้การเงินเดือนน้อยดอยทั้งการงานไม่อาธหารนไปปองดอกฟ้า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 มือชาเท้าชาและอาการเน็บชาเลือกสมุนไพรแคปซูลเพชร ด, ดีกระลองสีเขียวโปรดฟังอีกครั้งทุกท่านที่มีปัญหาเรื่องความเสื่อมของร่างกายโปรดจําชื่อนี้ไว้สมุนไพรแคปซูลเพชร ด, ดีกระลองสีเขียวบรรเทาอาการปวดเมื่อยปวดกล้ามเนื้อปวดเข่าปวดแขนปวดขาปวดตามข้อไขข้ออักเสบกระดูกเสื่อม กระดูกทับเส้นเนบชามือชาเท้าชาและอาการเนบชาเลือกสมุนไพรแคปซูลเพชร ด, ดีกล่องสีเขียวสมุนไพรแคปซูลเพชร ด, ดีกล่องสีเขียวยาสามัญประจำบา้านทะเบียนยาเลขที่ g ี1 7ทัพหนึ่งกล่องบรรจุ100แคปซูลผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการควบคุมการผลิตโดยเภสัชกร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 ครับเป็นเบอร์คอร์เซ็นเตอร์ที่ครับผมนะควรแกกการที่จะจดหรือจำไว้ก็ได้นะบันทึกใส่โทรศัพท์ไว้ก็ได้เดี๋ยวนี้ก็ง่ายไงเว<ช>ลาเบอร์โทรศัพท์อะไรก็เขียนบันทึกไว้ในโทรศัพท์ได้ไม่ต้องเอาสมัยก่อนต้องมี พี่น้อยนะไม่มีสมัยสมุดพี่น้อยอุ้ยผมเกิดไม่ทานของผมมันต้องทานเอาทานเอาทานเนี่ยเขียนไว้ตรงใต้ถุนบ้านต้องคือเขียนไว้เลยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใครมีแต่เบอร์โทรศัพท์เต็มเลยครับผมทานสีดำดำอ๋อนะแต่ว่าเวลาจะโทรก็ต้องไปโทรใต้ตาราง ใช่ครับผมครับผมก็อย่างที่ได้ยินได้ฟังไปแล้วนะปัญหาเรื่องแบบนี้ปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวนะข้อเข่าข้อเท้าเส้นเอ็นมันยึดมันตึงมาลองกระดูกทับเส้นประสาทเหน็บชาครับ นะบางคนกนะ็เรื่องของข้อข่าอักเสบข้อข่าเสื่อมครับผมท่านมีโรคเกาอยู่แล้วไ ข, ข่ข้าวลุมะทอยทั้งเกาทั้งลุมะทอยเนี่ยไปหาหมอซะนะไปกินยานะต้องกินยาตลอดชีวิตนะครับแล้วให้กินสมุนไพรเพชรดีร่วมด้วยจะทําให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยดีขึ้นครับส่วนประทานอื่นๆอย่างเงี้ยสามารถกินได้นะครับแล้วอย่างที่ได้ยินได้ฟังไว้แล้วว่าเพชรดีกล่องสีิลเนี่ยเป็นยาสามัญประจําบ้านบาง ค, ครั้งนี้ไม่จำเป็นให้รอให้เจ็บให้เป็นก่อน นซื้อมาเก็บไว้ในตู้ยาก็ได้ายาสามัญประจำบ้านนะเอาเก็ บ, บไว้นะตู้ยาก็ควรจะเก็บไว้ห่างมือเด็กนะแล้วอย่าให้โดนแดดแล้วกันอย่าให้โดนแดดอุณภูมิพอเหมาะพอส ม, มนะเวลามีปัญหาเคสซนหรืออะไรขึ้นมาอย่างนี้ก็สามารถกินได้เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าลืมสูย์ภายเพชรดีกล่องสีเขียวแล้วก็มีตั้งร้อยแคปซูลด้วยนะ กระปุกหนึ่งปุกมี100แคปซูลก็คือเราเก็บไว้าทานได้อย่างต่อเนื่องที่สำคัญ ก, ก็คือเป็นสมุนไพรใช่ไหมครับสมุนไพรนี่ยก็ไม่มีไซเอฟเฟก ไม่มีผลข้างเคียง่มีผลข้างเคียงใช่นะครับสามารถที่จะทานได้แล้วก็ทานร่วมกับการรักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบันได้ใช่คือเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นไขมันอุดตันในเส้นเลือดหรืออื่นๆเนี่ยใช่ครับก็รักษาไปกินยาหมอไปคือบางคนก็ทานยาตามปกติอยู่แล้วกินยาตามปกติใช่ถ้าทานเพชรีเนี่ยแล้วจะตีกันไหมไม่ตีไม่เหรือว่าจะทําให้ประสิทธิภาพของยาอื่นลดลงไหมแบบนี้ไม่ครัไม่ครับมันจะช่วยเสริมฤทธิ์กันซะด้วยสิใช่ครับวันนี้นะ ของแท้ต้องดูให้ดีนะเพชรดีอันที่1เลยต้องกล่องสีเขียวกล่องสีเขียวครับอันที่2ต้องมีสติกเกอร์สมิติรูปกล้วยตัวสัญเขียนคำว่ากล้วยกล้วยแปะที่ข้างกล่องและฝากระปุกนะฮะครับผมมาตรฐาน GMP ครับมีเลขทะเบียนยา G สองหนทับหนะครับแล้วก็ได้รับการควบคุมการผลิตโดยเพศสัชกรแพทย์แผนไทยมีใบอนุญาตเรียบร้อยนะครับหมายเลขเบอร์ call center ครับสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่เบอร์0 8 4 6 4 3 2 3ส 2, 2และ 085-188-3032 ครับปวดเมื่อยปวดกล้ามเนื้อสมุนไพรแคปซูลแพทยดีกรงสีเขียวปวดเข่าปวดแขนปวดขาสมุนไพรแคปซูลแพทดีกรงสีเขียว หวดตามข้อไขข้ออักเสบกระดูกเสื่อมสมุนไพรแคปซูลแพชยดีกรองสีเขียวกระดูกทับเส้นเน็บชามือชาเท้าชาสมุนไพรแคปซูลแพชยดีกรองสีเขียวสมุนไพรแคปซูลแพทยดีกรองสีเขียวประกอบด้วยเถาวันเปรียงของเอ็นอ่อนเถาโคครานแสบมาทลายกำลังชยาเสือโครงการครูดอกจันทร์ พริกไทยล้นและสมุนไพรอื่นๆสมุนไพรแคปซูลแพทยดีกรงสีเขียวปลอดภัยช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยและอาการเหน็บชาตามร่างกายสมุนไพรแคปซูลแพชยดีกรงสีเขียวยาสมัมผัสประจําบ้านทะเบียนยาเลขที่ G ี17งหทับ 57. ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการควบคุมการผลิตโดยเภสัชกรแพทย์แผนไทยโกรนอาฉลา ก, ก่อนทยาทุกครั้ง เพื่อความมั่นใจโปรดสังเกตสติกเกอร์สามมิติสะท้อนแสงพิมพ์คำว่ากล้วยกล้วยและมีรูปกล้วยติดอยู่ติดต่อคอ l l เซนเตอร์ Center, โทร084 643 2322่ 84, 64 3, 23 22, และ085 188 3032ครับนี่แหละเนาะปัญหาที่หลายคนเจอกัน ใชเรื่องของเส้นของเอ็นของไขข้อของกระดูกของกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้คผแเวลาเป็นแล้วมันไม่ถึงตายหรอกนะแต่ว่ามันทรมานมันปวดมันปวดทรมานบางคนนี่นะผิดท่านิดหนึ่งน้ําตาเล็ดเลยนะออะบางคนนี่ดังแก๊กก็แก๊กข้อเข่าบ้างไหลบ้างบางคนก็ยกแขนไม่ขึ้นบางคนก็เป็นตามฤดูกาลก็มีนะเป็นตามฤดูกาลนะเช่นว่าหน้าหนาวนี่ปวดกว่าช่วงอื่นอะไรแบบนี้แล้วก็โรคพวกนี้นะจะ เป็นในตอนเช้ามากกว่าตอนกลางวันหรือตอนเย็นเพราะว่าตอนเช้าเช้าเนี่ยจะปวดเพราะว่ามันนอนอยู่ในท่าเดิมไงมันมันก็จะยังไงเรามันอยู่ในท่าเดิมอ่ะพอตื่นเช้ามาพอเปลี่ยนอีเรียบทปุ๊บมันจะปวดมากๆเลยถ้าใครที่อ่าตื่นขึ้นมาแล้วไม่ค่อยปวดมากแสดงว่านอนข่วงนอนขวงครับว่าอะไรฮะนอนดิ้นนอนดิ้นเนี่ยโอ้หนอนควงคือเปลี่ยนเอียร์เบทเยอะไหมซับใหม่อีกแล้ว เอออเอาเอตื่นขึ้นมาหัวลงมาอยู่ข้างล่างท้าไปอยู่บนหมอนอะไรอย่นอนข่วงครับผมโอเคก็อย่าลืมแล้วกันสมุนไพพดีกล่องสีเขียวครับปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นเรื่องกระดูกเรื่องไขข้อปวดข้อเข่าเสพข้อเข่าเสื่อมยกของผิดท่าผิดทางยืนนานนั่งนานนอนนานใช่ทั้งนั้นเลยเป็นทั้งนั้นเลยเป็นทั้งนั้นเลยครับผมสรุปแล้วเอาไงดีนะยืนก็เป็นนั่งก็เป็นนอนก็เป็นก็ซื้อเพชรดี เตรียมไว้ใส่ตู้ยาไว้แล้วกันคผมเป็นได้หมดทุกเพศทุกวัยตอนนี้อ่าได้รับการตอบรับอย่างดีมากดีมากต้องบอกว่าดีมากบอกว่าดีมากเลยมากนะครับหลายคนกินแล้ว่านดีบอกต่อๆกันบอกต่อๆใช่ไหมครับผมก็ของดีไงมันก็เหมือนกับการได้บอกสิ่งดีๆกันไปเนาะครับผมอ่าอะก็นะครับอย่าลืมแล้วกันในส่วนของเบอร์ call center ครับผมสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับอาการต่างๆวิธีการทานให้ถูกต้องนะครับนะใครฟังไม่ทันก็จดตามนะครับบอกกล่าวกันอย่างฝากเพลงไว่ก็ได้ต่อเนื่องเลยฝากเพลงไว่ก็ได้มีหลายงานเพลงที่กูบูฟังเนี่ยมาฝากไว้ตอนที่โทรมาที่คอเซนเตอร์นี่แหละครับผมเอาเป็นว่ามี1เพลงครับจะปิดท้ายสําหรับวันนี้แนะนํามาจากทางจังหวัดร้อยเอ็ดนะร้อเพลงนี้เพลงอะไรเลยว่าขอฟังยอดรักน้อยยอดรักสลักใจครับเปลี่ยนพสใหม่ เปลี่ยนใจหรื อ, อยังเหรอครับผมโอเคเราก็จัดลากันด้วยงานเพลงนี้ก็แล้วกันนะครับโชคดีมีความสุขครั บ, รบวันนี้ผมวินัยครับผมที่เพเน่ต้องบอกว่าขอลาไปก่อนโชคดีมีความสุขไม่เจ็บไม่จนสวัสดีครับสวัสดีครับ ต่อไม่เปลี่ยนใจหรื อ, อยังบอกผมสักครั้งสักคำได้ไหมมาแล้วดากกันผมยังหวั่นใจเปลี่ยนพอตอใอไม่เปลี่ยนใจหรือกปลา่าคืนวันพันผ่านทรมานหนือกัน วันความห่าเงเหินและความเงียบงาวคอยตาคอยรุมหัวใจทำเช้าจนลืมรักเก่าลืมทำฝันยาคิดถึงคิดถึงคิดถึงสุคนเบียงหัวใจเผอบนรำร้องวันคืนวันมา ทำงานเมื่อลอยดังคนที่ไร้วิญญากอดรูสอ บ, บหน้าต่างเพื่อนกรอบใจฝากเลงนี้ลองมาตามสายลมบอกความตรอมตรมเลือทนคมไว้วันวันกลับมา แปลเปลี่ยนใจเปลี่ยนพอต่อหม่ขาดใจพร้อมกัน บอกความตรอมตรมเหลือทนทมไว้วันวันกลับมาถ้าแปรเปลี่ยนใจเปลี่ยนพอสอบใหม่ขาดใจพร้อมกาน